วันนี้วันเราลึกถึงพระพุทธเจ้านะอิสักขะเขายัางอุตส่าห์หยุดราชการหวังว่าข้าราชการจะเข้าวัดไม่รู้หมาหรือเปล่าแต่ใครมาไม่มาเรื่องของเขาเรามาก็ดีแล้วมาเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรามีคุณเยอะ ถ้าไม่มีท่านเราจะอยู่ท่ามกลางความมืดบอดโดยพื้นฐานที่เราสะสมคุณสมบัติที่ดีในทางใจนะถึงไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็คงไม่ชั่วแต่ว่าเราจะมีชีวิตแบบไม่มีทิศ ท, ทางหรือไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอาศัยพระพุทธเจ้าเหมือนท่านจุด กระที่โคมไฟมาเป็นแสงสว่างที่ปลายทางให้เรามองเห็นเราจะได้รู้ว่าชีวิตเราควรจะไปทางนี้แหละไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์จากคั้วกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าเราเป็นปัญญาธิกะท่านเดินมาโดยเน้นที่ปัญญาแลในความเป็นจริงแล้วการจะเข้าใจพระพุทธศาสนานี จะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไดนะ้ก็ด้วยปัญญานั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าเราเดินด้วยปัญญาเรียกว่ามันเหมาะกับาศาสนาพุทธท่านมาได้เร็วความสามารถท่านสูงท่านใช้เวลาปฏิบัติเนี่ยสแสวงหาทางเดินเนี่ยสั้นเป็นกลุ่มพระพุทธเจ้าที่ใช้เวลาน้อยในการสแสวงหาความหลุดพ้น บางองค์จะใช้เวลายาวสี่เท่าของพระพุทธเจ้าของเราบางองค์มากกว่านั้นตั้งสิบเท่ามีองค์เดียวองค์แรกทํายากทํายากเพราะไม่เคยมีใครสอนเลยจะทําบุญทําทานก็ไม่มีพระอราหันต์ให้ทําบุญทําทานด้วยลําบากพวกเรารุ่นหลังๆเราอาจจะเคยทําบุญทําทานกับพระพุทธเจ้าพระอราหันต์อะไรเงี้ยอันิี้สงบนแรง ของท่านองค์แรกท่านลำบับพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ใช้เวลา16อสงไขยแสนมหากับอสงไขยคือ10ยกกำลังร4 8ปถึงร5 0ประมาณนั้นตัวเลขจะแกวงแหวงนิดหนึ่งกับหนึ่งก็คือตั้งแต่จักรวาลเกิดขึ้นจนจักรวาลแตกไปแตกอย่างนี้ซ้ำๆๆนะนานองค์ที่ท่านเดินด้วยความเพียร น, นะ มีความเพียนมากนะท่านจะใช้เวลานานนะองที่ใช้สมาธิมากหน่อยใช้เวลาสั้นเข้านะพระพุทธเจ้าเราเดินด้วยปัญญาสั้นที่สุดนะสั้นที่สุดไม่ใช่เพราะว่าบารมีน้อยที่สุดนะสั้นที่สุดก็คือบารมีเต็มเร็วมากที่สุดนะไม่ใช่บารมีน้อยพระเจ้าทุกๆพระองค์บารมีเต็มเหมือนกันหมดจนะมีบารมีสามสิบทัศนะบารมีสิบอย่าง แต่ละอย่างเนี่ยทั้ง3ขั้นตอน3ามระดับเต็มหมดอย่างทานบารมีนะทานบารมีบารมีเบื้องต้นในการทําทานก็ให้วัตถุสิ่งของให้อะไรต่ออะไรพวกนี้บารมีระดับกลางของขั้นทานก็กล้าสละเลือดเนื้ออวัยวะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แค่สละทรัพย์สินขั้นที่เป็นปรมัมมัตบารมีบารมีสูงสุดเนี่ยกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะ ยันเป็นขั้นๆ ข, ขึ้นไปทุกพระองค์เต็มหมดนะบารมีเรื่องบารมีสามสิบทักนะเกิดอย่างละสามสามสามนะบารมีสิบอย่าง10บคูณสาพระเจ้าเราความสามารถสูงใช้เวลาสั้นบางคนก็เข้าใจว่าท่านบารมีน้อยนะเกิดมาในยุคที่แย่มากเลยคนก็อายุสั้นพระพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยเกิดในยุคที่คนอายุยืน แล้วก็ชีวิตสมบูรณ์ปูนสุขพระพุทธเจ้าของเราเลือกที่จะตรัสรู้นะในช่วงที่เลวสามที่สุดเลยที่ตกต่ำที่สุดแล้วหลุดจากนี้ไปจะไม่มีศาสนาท่านกะมาช้อนเอาสัตว์โลกที่น่าสงสารตาแป๋วแป๋วว่าไปน่าสงสารยิ่งบางคนไม่เข้าใจคิดว่าบา ร, รมีน้อยมั้งพุทธเจ้าองค์นี้อายุก็สั้นแค่80สิปี สอนคนก็ได้ไม่มากแล้วนะคนที่ควรสอนได้มันมีเท่านี้แหละคนจิตใจใจบาปหยาบช้ามากนะก็ความเป็นอยู่แล่นแ้นอย่างเงี้ยในจุดที่ยากลําบากนะเป็นจุดต่ําสุดนะที่พระเจ้าของเราองค์นี้เลือกตรัสรูต้ตรงนี้ทําไมท่านเลือกตรัสรู้ในจุดที่ลําบากบางองค์ตรัสรู้ในจุดที่ง่ายนะ แลาวมหากรุณาของท่านที่รุนแรงมากเลยสงสารสัตว์โลกที่แรงแรงแบบนี้ก็มีนะมีอีกบ้างไม่ใช่มีองค์เดียวบางองค์แรงกว่านี้อีกแปลกไปหนักกว่านั้นอีกนะอย่างเจ้าแม่กวนอิมเคยได้ยินชื่อไหมโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนกาว่าจะไม่เข้านิพพานไปช่วยสัตว์โลกจนตัวสุดท้ายท่านคงลืมไปว่าสัตว์โลกมันก็เกิดใหม่ได้อีก ว่าปณิฐานท่านสูงคือจิตของท่านเหล่านี้นะัจิตสูงทั้งนั้นเลยจิตของเราแหละต่ำบางทีเราก็ชอบไปเทียบองค์นั้นดีกว่าองค์นี้องค์นี้ดีกว่าองค์นั้นจริงพระพุทธเจ้าเราเนี่ยบารมีเต็มเร็วเพราะว่าเก่งเก่งมากๆเลยสิ่งที่ท่านสอนนะไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็สอนสิ่งเดียวกันไม่มีมากกว่าที่พวกเราได้ยินได้ฟังอยู่แล้วเนี่ย งั้นเราอย่าไปหวังเลยว่าสะสมบารมีไปก่อนเดี๋ยวไปเจอพระศีระยะเมตไตรแล้วฟังธรรมที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกฟังปิป๊งทีเดียวเลยไม่มีหรอกธรรมสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแสดงนะก็คืออริยสัจเหมือนกันทูพระองค์เพราะเป็นสัจจะสัจจะนั้นมันคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะตามวันเวลาไป งันผู้ที่มีสติปัญญาแก่กล้าเข้าถึงสัจจะก็เข้าถึงอันเดียวกันนั่นแหละถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเราก็จะรู้สึกพระพุทธเจ้าของเราน่ารักมากเลยเก่งก็เก่งนะยังกรุณาสงูงมาช่วยพวกเราซึ่งอินทรีย์อ่อนบุญบารมีอ่อนมีแต่ความไม่มีศีลธรรมเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด เป็นยุคที่ศีลธรรมไม่มีเสื่อมมากถัดจากนี้มันจะแยกกว่า น, นี้แล้วพระพุทธเจ้าจะไม่มาตรัสรู้แล้วเพราะว่ามันเร็วเกินไปถ้าเสียยะเมตไตรนี่ถ้ารอนะรอทังขาขึ้นขึ้นมาแล้วเรืองทางที่ดีนะเราลึกเราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสะอาดหมดจดมากท่านมีความภาคเพียร ใช้เวลาเนิ่นนานกว่าจะได้สัจจะความจริงอันนี้มาประกาศเรามีหน้าที่ฟังสัจจะที่ท่านประกาศแล้วลงมือเดินตามเส้นทางที่ท่านวางไว้ให้เส้นทางที่ท่านวางไวใ้หวไวให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเจ้าพระพุทธเจ้าจีพระองค์สูงสุดวางได้เท่านี้แหละนะนั่นคือเรื่องของสติปัฏฐาน เรนเรื่องสติปัฏฐานสี่นเรื่องอริยสัจสีอริยสัจสีเป็นตัวสัจจะสติปัฏฐานสีเป็นวิธีที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสัจจะถ้าเรามาเรียนสิ่งเหล่านี้อริยสัจสีเริ่มจากตัวทุกข์ตัวทุกข์ท่านระบุชัดเจนเลยว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ ท่านบอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นตัวทุกข์ความพลัดพลากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะเป็นตัวทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ําไรราพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์โดยสรุปขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ ท่านสอนถึงอาการปรากฏของทุกอาการปรากฏของทุกนั้นปรากฏ อ, ออกมาก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาความโศกร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายใจความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกขนะ์แต่ตัวทุกข์แท้ๆนะไอสิ่งเราที่พูดมายาวๆนันะ้นะเป็นอาการปรากฏของตัวทุกข์ ตัวทุกข์แท้ๆก็คือกายกระใจของเราเนี่เองตัวขันห้านี่เองเพราะมีขันห้าใช่ไหมก็เกิดอาการปรากฏคือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจถ้าเราไม่มีรูปธรรมานามธรรมนี้อาการปรากฏของทุกข์ก็ไม่มีขึ้นมา ก็ไม่มีรูปธรรมแล้วอะไรจะแกะ่อะไรจะเจ็บอะไรจะตายไม่มีนมามธรรมอะไรจะแกะ่จะเจ็บจะตายนมามธรรมแก่เจ็บตายได้ไหมได้เหมือนกันความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมสลายนะเหี่ยวเฉาไปความโกรธก็ค่อยตายไปตายได้เหมือนกันสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นเลยแต่ว่าโดยที่ดูง่ายก็คือรูปธรรมเนี่ยเราก็ว่ามันตายที่จริงนมามธรรมก็ตายเหมือนกัน แต่มันละเอียดกว่ากันกความจริงตายหรือว่ารูปธรรมอีกนำมาทําตายไปเจ็ครั้งนะรูปธรรมตายไปครั้งหนึ่งอันนี้ยากไปยังบางนคนรู้ว่าหลวงพ่อสอนยิ่งสอนยิ่งยากนะการสอนยิ่งสอนยิ่งง่ายก็ไม่ยากอะไรหรอกรู้สึกตัวนะดูกายดูใจเป็นทํางานง่ายแล้วเนี่ยไม่มีวิธีอะไรจะง่ายกว่านี้แล้ว ตัวความทุกข์นะก็คือรูปธรรมนามธรรมคือกายกับใจของเรานี้อาการปรากฏของมันก็ความแก่ความเจ็บความตายอะไรพวกนั้นความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยเป็นความทุกข์ทางกายหรือทางใจทางใจร่างกายไม่มีสิ่งที่รักจิตใจมีสิ่งที่รักแก่เจ็บตายเนี่ยอยู่ที่กายได้ พรัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่รักนี่เป็นเรื่องทางใจใจเป็นคนให้ค่านะหน้าที่ต่อทุกท่านสอนให้เราดูแนละ้วว่าจริงๆแล้วทุกคืออะไรทุกก็คือกายกับใจของเรานี่เองหน้าที่ต่อทุกคือการรู้ตามความเป็นจริงนะเรียกว่าปริญญาจิตให้รู้อย่างที่มันเป็นความเป็นจริงของกายเป็นอะไรนะความเป็นจริงของกายคือเป็นไตรลักษ ความเป็นจริงของจิตใจก็เป็นไตรลักษณ์คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นของซึ่งมีอยู่แล้วก็จะหายไปในขณะที่ยังไม่หายก็ถูกบีบคั้นที่จะให้หายการที่จะมีอยู่การจะตั้งอยู่หรือการจะดับไปไม่ใช่เพราะเราสั่งได้เพราะมีเหตุเนื้คว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านให้มาดูให้มารู้ทุกก็คือมารู้ความจริงของร่างกายของจิตใจ ความจริงของร่างกายก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่มีแล้วมันก็ไม่มีอย่างร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเกิดเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวล้วก็หายไปเกิดเป็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าครั้งแรกร่างกายหายใจเข้าครั้งที่สองก็คนละอันกันคนละเวลาและคนละสถานะลมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วไม่เหมือนกันทีเดียวร0หรอก มีความเปลี่ยนพราะธาตุนี่หมุนตลอดธนะาตุเปลี่ยนตลอดสิ่งซึ่งมีแล้วไม่มีนะเรียกว่าอนิจจังเคยมีแล้วมันไม่มีอย่างความโกรยเกิดขึ้นแล้วหายไปเรียกว่าอนิจจังรูปหายใจเข้าหายไปเกิดรูปหายใจออกก็อนิจจังนะสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่ก็ถูกบีบคั้นที่จะให้สลายตัวอย่างการหายใจเข้านะหายใจไปเรื่อยกลายเป็นตัวทุกทุกบีบคั้นทาให้ต้องหายใจออก หายใจออกไปเรื่อยๆก็ถูกความทุงบีบคั้นต้องหายใจเข้าอีกเนะนี่ยมีแต่ความบีบคั้นเกิดขึ้นในกายในใจนี้ยุดตลอดเวลานะในจิตของเราเนี่ยถูกตันหาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถูกความอยากสังเกต ด, ดูใจของเราจะมีความอยากเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลาเลยนะอยากในทางดีบ้างอยากในทางเลวบ้างนะอยากได้สุขบ้างอยากหนีทุกข์บ้างอยากได้ดีบ้างอยากหนีชั่วบ้าง อยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกปรุงแต่งทางใจอยากได้มรรผลนิพพานเป็นอยากทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากนิพพานอยากทางใจพระอรหันต์อยากนิพพานไหมไม่อยากถ้าอยากไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ได้อยากแต่ของเราอยากมีความอยากเกิดขึ้น ความอยากเป็นตัวสมนะูทไทยนี่ท่านนันสอนถึงมีตัวทุกนะทุกคือรูปกระนามนี่เองมันเป็นทุกโดยตัวของมันเองแต่มันยังกระเทือนเข้ามาไม่ถึงจิตใจส่วนลึกของเราแต่ถ้าเมื่อไรความอยากเกิดขึ้นนะความทุกน่ยจะเข้ามาสู่ใจความทุกอยู่ที่ร่างกายนะจะยังไม่เข้ามาถึงใจจนกว่าความอยากจะเกิดขึ้นเช่นไม่สบายอยากให้หายป่วย อยากให้หายป่วยสบายใจหรือไม่สบายใจไม่สบายใจอยากไปวัดสบายใจไหมไม่สบายใจกระวนกระวายจะไปทันไหมตีห้าก็ต้องมารอแล้ววัดนี้แปลกมาช้าเดี๋ยวไม่ได้นั่งหน้ายังก็นั่งหน้าจะได้ธรรมาก่อนนะก็ไม่ก็ไม่แน่นะอยากมาใช่ไหมพอมาฟังทำสักพักหนึ่งอยากไปกินข้าว กินข้าวไปก็อยากไปห้องน้ำอยากไปห้องน้ำเสร็จแล้วก็อยากกลับมานั่งตรงนี้เร็วๆอยากจะฟังธรรมต่อฟังฟังไปสักพักอยากกลับบ้านเมื่อความอยากนักเกิดตลอดเวลาเลยมันชี้นำจิตใจเราให้วิ่งไปตลอดเวลามันคล้ายๆคูบาอจารย์ท่านเรียกว่าหมาบ้างงับไม้คอนภาษาอีสานเนาะเอามาโยนไปแล้วก็หมาวิ่งไปงับ คนก็โยนไปอีกหมาก็วิ่งไปอีกนะตันหานะมันทำงานขึ้นมาจิตเราก็วิ่งตามที่มันสั่งทุกทีไปจิต ท, ที่วิ่งเล่าเล่าเ ล, าเ ล, าเลาไปนะเหมือนหมาบ้าเหมือนหมาที่ถูกเขายัว่วเอาอะไรโยนใส่ก็วิ่งวิ่งวิ่งไปของเราก็ถูกโยนใส่มีอะไรมาโยนใส่พวกเราบ้างมีรูปไงมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีพุพระนะ มีความรู้สึกตทางใจยังนะอยากสนุกสนานใจก็วิ่งอยากเห็นรูปใจก็วิ่งอยากไม่เห็นรูปใจก็วิ่งนะเวลานั่งรถไปได้เห็นรถชนกันใช่ไหมรู้สึกว่าชนหนักบางคนก็อยากดูบางคนก็ไม่อยากดูนะจะอยากดูหรือไม่อยากดูก็เกิดพฤติกรรมพวกอยากดูก็ชะโงกไปดูซิมีศพกี่ศพ ตรงที่รถชนกันไม่เจอเลยเพราะไม่มีอกุศลจะเห็นไอ้คนไม่อยากดูนะเบื่อนหน้าไปอีกฝั่งหนึ่งเขาเก็บศพมาวางริมถนน <c oughs> นี่อกุศลให้ผลแต่ว่ามีความอยากเกิดขึ้นที่ไรนะความไม่สบายใจก็เกิดที่นั้นแม้ว่าจะอยากดีหรืออยากชั่วนะอยากเบาๆก็ไม่สบายใจเบาๆอยากแรงๆอยากมากๆก็ไม่สบายใจมากพวกเราเคยอยากได้อะไรแรงๆไหม อยากได้อะไรแรงๆทุกไหมถุกอยากได้เบาๆบางทีไม่รู้ไม่รู้ว่าทุกแต่ถ้าสติปัญญาเราพอเราสังเกตนะใจเราอยากเมื่อไหร่ใจเราทุกเมื่อนั้นปัญหาทั้งหลายอยู่ในโลกนะแต่พอใจเรามีความอยากความทุกจะเข้ามาอยู่ที่ใจนะอย่างเราค่อยๆสังเกตดูสมุทัยเนี่ยหน้าที่ของเราคือละนะลากความอยาก วิธีล่ความอยากล่าได้หลายแบบเบื้องต้นอาศัยสติไปรู้มันความอยากเป็นกิเลสหรือเป็นกรรมหรือเป็นวิบากความอยากเป็นกิเลสหรือเป็นการกระทำกรรมของจิตหรือเป็นผลจากการกระทำกรรมเป็นตัวทุกข์เป็นกิเลสลักษณะของกิเลสเมื่อไรที่สติระลึกรูนะ้กิเลสจะดับอัตโนมัติเมื่อนนเบื้องต้นเราอาศัยสติ รู้ทันความอยากที่เกิดในใจความอยากจะดับชั่วคราวพระเดี๋ยวสติมดนนะความอยากจะมาใหม่เช่นเราเห็นมือถือรุ่นใหม่อยากได้สติรู้ทันว่าอยากความอยากดับปั๊บไปพราะขาดสตินะ่ะไปซื้อเรียบร้อยและสู้มันไม่ได้แต่ว่าดับได้ชั่วคราวแต่เบื้องต้นเราต้องดับไปชั่วคราวก่อนนะเพื่อจิตใจจะได้เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาบ้าง ถ้าจิตใจถูกความอยากมงการให้วิ่งอยู่ตลอดเวลานะมันภาวนายากแต่เบื้องต้นมันก็ต้องมีความอยากก่อนเช่นอยากปฏิบัติอยากฟังธรรมอยากนั่งสมาธิอยากเดินจงกรมอยากไห้พระสวนมนต์สิ่งเหล่านี้เป็นความอยากไหมเป็นนะก็เป็นความอยากอยากจะไหวพระแต่งานไม่เสร็จสัทีลูกยังกวนจะเอาโน่นเอานี้ถึงเวลาที่เราควรจะไหวพระแล้วชื่นใจไหม ชื่นใจหรากลำคานนะเมื่อไรมึงจะนอนสักทีเรื่องให้กินข้าวก็ไม่กินสักทีอมอยู่นั่นแหละนะลูกของใครอมข้าวบ้างมีไหมชอบอมไม่ยอมเคี้ยวอะไรเงี้ยมีไหมเราอยากให้มันกินเร็วๆนะมันก็ไม่กินแค่นี้เราก็ทูกแล้วนะมุนห์หินแล้วในะความอยากเนี่ยเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีไปสังเกตเอาแต่ถ้าเมื่อไหรรู้ว่าความอยากเกิดขึ้นนะความอยากจะดับเองอันนี้ดับด้วยสตินะ ต่อไปมันก็มีดับด้วยสมาธิก็ได้มันอยากอยา ก, อยากเที่ยวอยากเล่นอยากโน้อนอยากนี้นะเรานั่งสมาธิพาจิตมีความสุขในฌานจิตจะไม่มีความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะเพราะมันได้ของสูงกว่าแล้วเลยไม่เอาของต่ําุณหลวงพ่อเลยบอกพระรได้่อยๆว่าพระต้องหัดนั่งสมาธินะพระไม่เหมือนโยมพระไม่มีกามมาสุข เพราะฉะนั้นพระต้องมีฌานสุขถึงจะมีชีวิตที่สบายถ้าไม่มีการมาสุขก็ไม่มีนะฌานสุกก็ไม่มีนะชีวิตมันจะรู้สึ ก, กด้อยบางทีนั่งร้องไห้เลยรู้สึกทำไมเราลำบากหวโยมทั้งหลายแต่พอเข้าฌานได้รู้สึกเลยหัวโยมนั่งสงสารอย่างเลยเนาะวิ่งซอกซอกซอกซอกเหมือนหมาที่หาขยะกินวั น, ว, นวันหนึ่งมันรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้รู้สึกในเชิงเหยียดหยามนะรู้สึกสงสาร ทำไมหาขยะขยะของโยมคืออะไรคือรูปสวยๆนะั่นแะนะเสียงเพรานะๆนั่นะขยะเลยสำหรับคนสงสารนะทำไมวิ่งพรานพรานหาแต่สิ่งเหล่านี้วันหนึ่งวันหนึ่ ง, น ห, นงหาสาระไม่ได้ได้เห็นรูปสวยมีความสุขแป๊บเดียวใช่ไหมเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นอีกแล้วก็ต้องดิ้นไปเรื่อยเลยโอ้ทำไมชีวิตเธอเหนื่อยเหลือเกินอาตมาไม่เล่นด้วยหายใจเข้าดีกว่าหายใจออกสบาย มันก็ข่มความอยากอย่างโรคๆได้ด้วยอำนาจของฌานอีกอันหนึ่งที่จะใช้ทําลายความอยากใช้คําว่าทําลายเลยนะก็คือปัญญาถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงนะของทุกข์เมื่อนั้นความอยากจะถูกละโดยอัตโนมัติงั้นถ้าเราคอยรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจให้มากนะรู้ไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงของกายของใจกายนี้ใจนี้ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารวมแล้วก็คือเป็นตัวทุกข์เป็นของไม่ดีของไม่ใช่ของวิเศษนะไม่ควรยึดถือนั่นเองถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วนะกระทั่งกายนี้ใจนี้ยังเป็นตัวทุกข์นะความอยากได้รูปความอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกสนุกสนานทางใจเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นงั้นถ้าปัญญาเกิดเนี่ยนะการละสมุทัยจะไม่เหมือนการละปกติการละด้วยสติเนี่ย สมุทัยคือความอยากเกิดแล้วสติไปรู้ทันมันดับการละด้วยสมาธิเนี่ยมีความอยากอยู่นะอยากนั่งสมาธิอลไเนี่ยนั่งนั่งไปพอจิตรวมหมดความอยากนะความอยากดับไปนะามอยากดับไปจิตมันส่งสมาธิขึ้นมาความอยากดับไ ป, ตบไปแต่การที่ละด้วยปัญญาเนี่ยไม่ต้องรอให้ความอยากเกิดเลยมันละที่เหตุของความอยาก คือปัญญามันแทงตลอดลงมาในกายในใจนี้เห็นกายนี้เป็นก้อนทุกข์เห็นใจนี้เป็นก้อนทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นละเพราะมันไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมีสติไปรู้ทันมันละมันเกิดขึ้นแล้วมีสมาธิขึ้นมามันละการละด้วยปัญญานี่มันไม่เกิดขึ้นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าละได้สะอาดหมดจดจริงๆอย่างเราเปิดอะไรมาสักแพกหนึ่งนะสะอาดมากเลย เปิดจานมาใบเอาจานไปใช้แล้วเอาไปล้างนะกับแพ็คมาอย่างดีนะค่าเชื่อมาอย่างดีเลยเปิดขึ้นมาไม่มีอะไรต้องล้างเลยนี่มันไม่เท่ากันนะมันไม่เหมือนกันคนละชั้นกันถ้าปัญญากเกิดคือเห็นความจริงของรูปนามกายใจหรือเห็นทุกขย์ยำแจ้งว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยนึกหรอกกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เป็นของไม่ดีความอยาก ให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดเพราะั้นถ้ามารู้ทุกข์เมื่อไหร่นะการละสมุทัยนะั้นจะละแบบก่อนมันเกิดอีกมันไม่มีโอกาสเกิดถ้าเกิดแล้วต้องละเนี่ยเป็นงานที่ต้องทํานะแต่ น, นี้ไม่มีงานต้องทําเข้าถึงเรียกว่าจบกิจไม่มีงานต้องทําอีกต่อไปละเพราะปัญญามันแทงตลอดลงมาในตุกกองทุกข์ หน้าที่เราเนี่ยาต้องพัฒนาการรู้ทุกข์ให้มากนะพัฒนาการรู้ทุกข์ให้มากจนถึงจุดหนึ่งนะสมุทัยไม่เกิดไม่เกิดเองนะไม่ใช่เกิดแล้วต้องคอยละเป็นคราวๆไม่มีงานที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วนะความเกิดใหม่ไม่มีความเกิดในภพใดๆก็ตามนะีมีสมุทยัยคือมีตัณหามีความอยากอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นเลยนะถ้าปราศจากตัณหาสอย่างเดียวนะ ความเกิดในภพต่างๆจะไม่มีคำว่าภพก็คือการดิ้นรนของจิตนั่นแหละเรียกว่าภพภพมีสองชนิดนะอันหนึ่งเรียกว่าอุปาติภพภพโดยการเกิดอย่างพวกเราขณะนี้มีอุปัติภพเป็นมนุษยนะ์อีกอันหนึ่งเรียกว่ากรรมภพเป็นภพทางใจคือการที่จิตเราดิ้นรนทุกคราวที่จิตดิ้นรนด้วยอำนาจของความอยากนั่นแหละภพย่อยๆเกิดขึ้นในใจ บางทีก็ดิ้นรนไปด้วยความโกรธในขณะนั้นเราเป็นสัตว์นรกแล้วพบใหญ่เป็นมนุษย์พบย่อยเป็นสัตว์นรกในขณะนั้นอยากฟังเทศฟังธรรมนะอยากถือศีลอะไรอย่างเงี้ยอยากนั่งสมาธิพบใหญ่ของเราจะเป็นมนุษย์นะพบย่อยเราจะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมก็ได้เนี่ยพบมันมีสองอันนะพบใหญ่กับพบย่อยพบใหญ่ก็คือเรียกว่าอุปัตติพบด้วยการเกิดอุบัตินั่นแหละ พบย่อยเรื่องกรรมมพบคือการที่จิตทำกรรมกรรมต้องเกิดจากเจตนามีความจงใจไปทำจงใจทีไรส่วนใหญ่จะเจือด้วยความอยากความจงใจของเราเนี้ยจะเจือด้วยความอยากเป็นส่วนใหญ่เลยเรียกมีโลภะเจตนาไม่ใช่เจตนาเฉยๆโลภะเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตกระทากรรมเป็นปัจจัยผลักดันให้จิตกระทำกรรมถ้ารู้ทุกข์นะ ความอยากจะไม่มีให้ละถือว่าละเรียบร้อยแล้วคือละตั้งแต่ก่อนเกิดละจนกระทั่งมันเกิดไม่ได้เลยละแล้วละเลยเพราะว่าพอปัญญาเกิดรู้แจ้งแทงตลอดในกองทุกข์แล้วไม่กลับมาโง่อีกละงั้นตัวที่ทําให้เป็นพ่อเป็นแม่ของความอยากนะก็คือความโง่ตัวอวิชชาอาวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงอาศัยปัญญารู้ความจริงของรูปนามกายใจน ก็ทำลายความโง่ลงไปพอทำลายความโง่ทำลายอวิชชาได้รู้ความจริงของกายใจแล้วเนี่ยทำลายอวิชชาได้แล้วเนี่ยความอยากจะถูกทำลายอัตโนมัติในขณะเดียวกันที่รู้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้รูปนามแจ่มแจ้งว่าตกอยู่ใต้ใจรักนั้นแหะรู้ทุกข์เมื่อไหร่ลาสมูไถ่เมื่อนั้นลาสมูไถ่เมื่อไหร่นิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเมื่อนั้นในขณะจิตเดียวกันนั่นเองเพราะอะไรเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหา นะเมื่อสิ้นตัณหาเมื่อไหร่สิ้นความอยากเมื่อไหรนิพพานจะแจ้งอยู่แก่ใจนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่สดๆร้อนๆไม่เหมือนรูปนามนะรูปนามกายแจงของเราเกิดดับอยู่ตลอดเวลานิพพานไม่เกิดไม่ดับนิพพานมีอยู่แล้วเต็มบริบูรณ์ไม่เคยพร่องไม่เคยแหวงแต่จิตของเรามีตัณหามีความอยากมีความดิ้นรนทําให้เราไม่เห็นนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่พ้นจากความอยาก เรียกว่าวิราคะพ้นจากความดิน้นรนเรียกว่าวิสังขารพ้นจากความก่อเกี่ยวยึดถือในรูปนามเป็นวิมุตต์นะหลุดออกไปถ้าหน้าที่เรามีแต่รู้ทุกข์นะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมูทัยเมื่อนั้นละสมูทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือเห็นพนิพาน์เมื่อนั้นมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขแทบเป็นแทบตายนะความสุขที่จิตจะอุทานว่าความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยหรือ เคยแต่เห็นทุกปังตายนะนี่สุขปังตายเลยสุขมหาศาลเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยว่าชีวิตจะมีอิสระได้ถึงขนาดนี้เราหาอิสระภาพนะหายังไงก็ไม่เจอแต่วันที่เราจะประจักษ์พระนิพพานะจิตนั้นมีอิสระภาพเต็มภูมิแล้วมีสันติภาพเต็มภูมิล้วนี่สิ่งที่มนุษย์สแสวงหาอยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์สแสวงหาอิสระภาพจากภายนอกสแสวงหาสันติภาพจากภายนอก นะพยายามเรียกร้องสันติภาพไม่เคยมีในโลกนี้สันติภาพเพราะอะไรเพราะตัณหามันมีความอยากมันมีนะอิสรภาพไม่มีมีแต่การเบียดเบียนกันตลอดเวลากระทั่งที่บอกว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่เคยมีประชาชนที่ปกครองประเทศเหรอกไม่เคยมีเลยนะในความเป็นจริงก็คือเราไม่ได้มีอิสรภาพหรอกเราเสียอิสรภาพโดยไม่รู้ตัวเท่านเองถ้าเผด็จการก็คือเอาปืนมาจี้หัว ถ้าอย่างของเราก็แนบเนียนมากขึ้นเอาเงินมาจ่ายเราจ่ายแล้วเราเสียอิสระแล้วเราตัดสินใจนโยบายอะไรของตัวเองไม่ได้แล้วทิศ ท, ทางของประเทศเรากำหนดไม่ได้แล้วเราได้เงินไปแล้วเราไม่มีอิสระจริงแต่งงานแล้วเสียอิสระภาพอันนี้ดูง่ายพวกที่แต่งนานๆอยากอย่ารู้สึกไหมอย่ายกนะอย่ายกมือ อันตรายมากเลยหลวงพ่อถามเพื่อให้เราสํารวจใจเราเท่านั้นนแะล้วจะพบเลยว่าแต่งานแล้วก็เสียอิสระภาพใช่ไหมเราเนี่ยหาอิสระภาพนะแต่ทุกคนทุกแห่งเป็นพันธานาการทั้งหมดเลยมีแต่พันธานาการทั้งหมดเลยนะอันนี้นักปราชญาฝรั่งเศสมั่งชื่อจังชาครุโซนะเคยพูดไว้นานละนะบอกมนุษย์เนี่ยนะ ปรารถนาอิสระนะแต่ว่าทุกคนทุกแห่งเนี่ยมีแต่พันธนาการเขามองแต่ว่าพันธนาการนี่ยมาจากข้างนอกเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่พันธนาการเราไว้คือตัณหาของเราเองพระพุทธเจ้ า, จานี่แหละคนพบส่วนนี้ว่าสิ่งที่พันธนาการทําให้เราไม่มีอิสระภาพทําให้เราไม่มีสันติภาพกนะ็คือตัณหานี่เองท่านพบวิธีทําลายตัณหาท่านรู้ว่าตัณหามาจากโงก่จากอาวิชชาความไม่รู้ความจริง ของรูปนามเพืยึดรูปนามท่านก็เลยสอนการปฏิบัติให้เราคอยรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะวิธีปฏิบัติก็สอนไว้ในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะท่านแอบไพา์คำสอนนี้ลงไปในคําสอนเรื่องสติปัฏฐานเดีนะ๋ยวจะค่อยอธิบายให้ฟังทีหลังนะความจริงอธิบายไว้เยอะนะไปฟังซีดีก็มีนะอ้างเชิญไปเชิญไปสแสวงหาอิสรภาพไป